แล้วก็ในช่วงนิทันพาสวดนั่งชาพาสวดเรื่องของอริยสัจเรือทุกเหตุเกิดทุกการดับทุกวิธีการดับทุกทสี่ส่วนเนี่ยซึ่งคำสวดคำสาธยายทั้งหมดก็ล้วนแต่พูดถึงสองเรื่องนิดนึงเรื่องกายเรื่องใจเรื่องลุง่เรื่องนามแล้วก็ลึกลงไปในรายละเอียดต่างๆเพื่อให้เราได้ มีข้อมูลในการเรียนรู้สำหรับผู้ที่การศึกษาการสะดับมาในเรื่องนี้อ <c oughs> ย่างน้อยบางีในภาคปฏิบัติเนี่ยตัวข้อมูลหรือตัวการเรียนรู้ข้อมูลต่ตางๆของเราไม่ละเอียดพอจิตของเรามันก็ยอมรับไม่ได้เกี่ยวกับสภาวะความเป็นจริงที่ปรากฏแต่ละขณะ ซึ่งล้วนแต่ความไม่สบายกายไม่สบายใจอยู่ตลอดเวลาที่ถาหากว่าเราได้เรียนรู้ข้อมูลตา่ตางๆเกี่ยวกับความไม่สบายกายไม่สบายใจก็ําให้เราได้เห็นเหตุของมันะเอ๊ะทําไมเรานั่งนานๆทาไมจึงปวดทําไมถึงเมื่อยนั่งนานๆทาไมจึงรู้สึกงุนหงิดลาําคาญ นั่งนานๆทำไมรู้สึกอึดอัดนั่งนานๆทํำไมรู้สึกความพอใจไม่พอใจนั่งนานๆทําไมรู้สึกง่วงเหงานั่งนานๆรู้สึกทําไมเบื่อเบลอนั่งนานๆรู้สึกทําไมรู้สึกฟุ้งซ่านอันเนี้ยถ้าหากว่าเราไม่รู้ที่ไปที่มาของข้อมูลเรานี้ยเราก็จะเพิ่มทุกข์มันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะเราไม่เข้าใจในสิ่งที่มันเกิดแต่ในการเรียนรู้ในการสดับหรือหลักปริญญาเนี้ยเพื่อ ได้เรียนรู้ในสิ่งเหตุที่มันเกิดว่ามันมาจากอะไรรู้มันแล้วไม่สงสัยพอไม่สงสัยใจมันก็ปล่อยวางใจมันก็ปล่อยวางในเหตุนั้นโดยที่ไม่การเป็นการเก็บกดบีบบังคับหรือกดดันทุกข์ก็จะไม่เพิ่มอันนี้ข้อดีของหลักปริยัติและการทำความเข้าใจการทำความเข้าใจหรือการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ การปฏิบัติหรือเรื่อหลักปริยัตเนี่ยถ้าไม่เป็นไปเพื่อการนี้ไม่เป็นไปเพื่อเป้าหมายนี้ก็ถือว่าไร้ประโยชน์ในการพูดในการศึกษาแต่ถ้ามันเป็นไปเพื่อที่จะให้รู้ความเป็นจริงของทุกขเหตุเกิดทุกขการดับทุกวิธีการดับทุกขก็ถือว่าเป็นประโยชน์มหาศาลถ้าจริงตั้งหลักของปริยัตปฏิบัติปฏิเวทเอาไว้ตามหลักคําสอนของพระเจ้า ปริยัติคนะือการเรียนรู้ข้อมูลต่างๆรายละเอียดต่างๆที่ปรากฏแต่ละขณะเพราะมนุษย์เราเป็นเป็นสัตว์พิเศษเป็นอุดมประเภทเป็นอุด ม, มสัตว์ที่มีสติปัญญามีมันสมองต้องการรู้ความเป็นไปเป็นมาก่อนที่จิตจะยอมรับแต่ถ้าไม่รู้ความเป็นไปมาจิตมันยอมรับไม่ได้เหมือนกับอาหารที่เรา กินเข้าไปเนี่ยถ้าเราไม่เคี้ยวเนี่ยเรากลืนไม่ได้หรือกลืนได้ก็กลืนยากลาบากหรืออันตรายมันจะเป็นต้องเคี้ยวซะก่อนเคี้ยวให้ละเอียดแล้วค่อยกลืนก็กลืนง่ายก็เป็นประโยชน์ข้อมูลต่างๆที่เข้ามากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันก็เหมือนอาหารที่ตกมาสู่เรียกว่าผัดสาหารที่ตกมาสู่อายตนาทั้งหมันเราจําเป็นจะต้องมีการย่อย ไอ้การย่อยนี่แหละคือการพินิจพิจารณาการศึกษาการสังเกตการกําหนดรู้เพราะฉะนั้นในกิจของอริยสัจอันแรกท่านว่าทุกต้องเรียนรู้ทุกต้องศึกษาเช่นเชื่อคำว่าญาตปริ ญ, ญาทุกต้องญาตปริ ญ, ญาคือทุกต้องกําหนดรู้ทุกต้องตามรู้ทุกต้องตามศึกษาทุกต้องตามสังเกตทุกต้องตามเข้าใจ นี่คือกิจของอริยสัตว์คือทุกทุกอย่างที่ปรากฏนี่แหละความไม่สบายกายไม่สบายใจทำไมความไม่สบายกายไม่สบายใจจงมีก็เพราะว่ามันเป็นกฎของมันะกฎของรูปทั้งหลายทั้งปวงมันมีอยู่สามหลักแค่นั้นไม่ว่าจะรูปนั้นจะละเอียดประณีตใกล้ไกลหยาบละเอียดเลวดีอย่างไรก็ตกอยู่ในกฎตรลักษณ์สามอย่าง เ, เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งที่เราไม่ต้องการให้เปลี่ยนแปลงมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงเมื่อเปลี่ยนแปลงแล้วมันจะมสุดเสือ่อมแตกดับสลายแล้วก็เริ่มต้นใหม่อย่างเงี้ยมันเป็นกฎของธรรมชาติเป็นกฎของมันอย่างนั้นซึ่งพุทธเจ้าได้ค้นพบแล้วก็มาเปิดเผยมาจําแนกแจกแจงมาบอกมาชี้ให้เราเห็นกฎอันนีนะ้เมื่อเรารู้จักเข้าใจกฎอันนี้ว่าเราก็ต้องยอมรับว่า รูปเรามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในการเปลี่ยนแปลงนี้ก็ให้เกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจซึ่งบางครั้งเราก็ไม่ต้องการให้มันเปลี่ยนแต่มันก็เปลี่ยนให้เห็นแล้วก็เหตุเหล่านี้เล็กๆ ก, กน้อยนอยทั้งหมดเราต้องสังเกตเราต้องศึกษาทุกอะไรที่มันเป็นทุกข์ท่านกําหนดเอาไวถ้ถึงเท่าไหร่สิอย่างใช่ไหมทุกข์อะ ตั้งแต่ชาติชรามรณะโสกะปริเทวอุปายาสะใช่ไหมวยาสะแล้วก็ปิเยหิสัมปโยโหทุโโหอปิเยหิวิปยโยโหอปิเยหิสัมปโยโหทุโโหปิเยหิวิปยโยโหทุโโหยำปิฉังนัลปฏิตัมปีทุขังสังคีเตนะปจุบทานนักันธาทุขาทั้งหมด12อย่างใช่ ที่เราสวดมาเมื่อวานจําได้ไหมที่ท่านพาดพาดสวดเรื่องทุกทุกขเขยยาหนังความรู้ในทุกขรู้ในทุกรู้อะไรรู้อย่างไรนะรู้เรื่องเกิดเป็นยังไงแก่เป็นยังไงเจ็บท่านก็มาแจงอีกที่เราจะถ้ า, าเราจำไม่ผิดนะแจงเรื่องเกิดเป็นยังไงลักษณะของเงินแก่เป็นยังไงลักษณะของการเจ็บเป็นยังไงลักษณะของการตายเป็นยังไงนะลักษณะของความโศกเป็นไงลักษณะของการ ที่ไรลำพันเรื่องลักษณะของความไม่สบายกายเป็นไงลักษณะของความไม่สบายใจทุกกรทมนัสลักษณะของความเศร้าใจหิวแห้งใจอุปยาสะเป็นอย่างไรลักษณะของการได้พบในสิ่งที่เราไม่ไม่ชอบเรารู้สึกไงลักษณะที่เราได้พลาดพลาดในสิ่งที่เราชอบเรารู้สึกไงลักษณะที่เราปรารถนาสิ่งใดไม่ได้ตามที่เราต้องการแล้วปรารถนานั้นไม่ได้ พัฒนาเงินเดือนหนึ่งให้มาได้เดือนละหมื่นมันไว้ได้รู้สิ่งไงพัฒนาเดือนนี้ต้องได้แสนงมันไว้ได้เป็นไงทางานแล้วไม่ได้เงินเดือนเป็นไงทำงานแล้วได้เงินเดือนน้อยยำปิฉังนั่นละปฏิทำปีทุกครั้งนั้นเลยและสรุปแลสังคิตตนัปัจุปฐานคันถาทุกขาว่าโดยย่อแล้วก็คือการที่เราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละคือเป็นทั้งหมดทุกที่ว่ามา11ออย่างเนี่ยเพราะ เราเข้าไปยึดถืออ่าในอุปทานอาคารของเรานะัเนี่ยเป็นที่สุดเป็นรวบย่อดทั้งหมดนี่พันนเราพายสวดท่านภายสวดเมื่อวานที่จบไปใช่ไมเช้าเช้านี้ท่านก็มาสวดถึงเรื่องของเหตุเกิดทุกเหตุมาจากอะไรทั้งหมดอ่ะทั้งสิบสองอย่างมีที่ไปที่มาที่ไปที่มาท้าเรียกว่าสมุทัยสมุททเยยานังอ รู้ในเหตุให้เกิดทุกเหตุให้เกิดทุกที่เราส่วนตนเช้ามีอะไรอ่าท่านบอกว่าการมรัาหาเพราะว่าดันหาวิภาวะดันหาใช่ไหมเพราะว่าเหตุให้เกิดทุกทุกทางกายเนี่ยมันเป็นผลแล้วก็เหตุมาจากใจนะในส่วนที่เป็นการมรดาหาทั้งว่าเป็นปัญหาเนเป็นเหตุให้เกิดปัญหาคือถนนตัดตัดานั้น ถ้า พ, าพินันทีนีคือการเพลินในอารมณ์นั้นๆการเพลินด้วยอำนาจงกำหนัดด้วยอำนาจแห่งความเพลินในอารมณ์นั้นๆปโนหะวิกาเป็นเหตุให้คิดใหม่สร้างใหม่มาเรื่อยๆความคิดเก่าดับไปความคิดใหม่เกิดขึ้นมาโปโนหะวิกานั่นที่ราคาสากาตาด้วยอำนาจแห่งความเพลินหรือความหลงในอารมณ์นั้นๆมันจึงสร้างเรื่องใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆ อันนั้นได้แก่อะไรนั้นได้แก่การมัจนาคือความอยาก <c oughs> ในสิ่งที่เราต้องการแล้วก็ได้ตามต้องการแล้วก็ติดใจภวะทันหาเมื่อมันไม่ได้ตามต้องการก็ขัดใจวิภวะทันหานี่เหตุเกิดทุกมีสามอย่างคือตอนแรกมันไม่มีมันก็อยากอยากมาแล้วก็ยึดยึดแล้วไม่เป็นไ ป, น ป, นปนตามต้องการก็เบือ่อ เย้วันวันหนึ่งอยากยิตเบื่ออยากยึดเบื่อเราเคยเห็นไ อ, ไอการทํางานของวัตจักรเหตุให้เกิดทุกข์ทางรูปก็มีสามคือนิจังทุกขังนัตตาเหตุให้เกิดนามก็มีสามคืออยากยึดเบื่อก็มีสามเหมือนกันวันวันเราก็จะมีแค่ น, นี้วนอยู่แค่นี้ที่เรามาปฏิบัติเนี่ยรรเราอยากอะไรอยากความสุขใช่ไหมไม่อยากทุกข์ พอบันได้ความสุขได้ความโล่งความสบายขึน้นก็ยึดนะเอ๊ะเมื่อวานสบายวันนี้ทำไมไม่สบายเลยนะเบื่อละเบื่อการปฏิบัติเพราะวันนี้ไม่สบายเอาตั้งใจไปตั้งไปใช่ไหมเออมันโล่งขึ้นมาอีกก็ยึดอีกก็อยากให้มันเป็นอย่างนี้อ้าวในชั่วโมงต่อไปมันเบื่อ อ, อยากจับจิตจับใ จ, บ จ, บ จ, บจบอยากกลับบ้านว่าทำไมเรามาทุกข์ทรมานขนาดนี้เราอยู่บ้านเราทําอะไรก็ได้กินอะไรก็ไ ด, ไได้พูดอะไรก็ได้มาที่นี่ดูมันมาติดคุกติดข้องมาทําอะไรนะคิด เบื่อจะคิดไปสารพัดเลยทีนี้ใช่ไอยากยึดเบื่ออยากยึดเบื่ออยากยึดเบื่ออยู่อย่างเงี้ยนะอันนี้เขาเรียกว่าสมุทัยและในตัวอยากตัวยึดตัวเบื่อท่านก็ลงลึกไปในสาเหตุมันเองนะกินจิโลเกปิยรูปังซาต ร, รูปังอุปัชติอุปชมานานินวิสตินิวิสมานานที่เราสวดว่า ไอ้ความอยากคิดเบื่อเนเกิดท่านบอกว่ามันเกิดมาจากอะไรสาเหตุก็มันเกิดมาจากอ่าตาหูจมูกลิ้นกายใจตัวตั้งของมันอยู่ในเราแล้วก็ตัวที่เป็นสิ่งที่ก่เป็นปัใจจัยให้ตัวตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันอยู่เฉยไม่ได้เพราะมันมีอะไรเข้ามากระทบรูเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์นคู่ใครคู่มัน รูปคู่กับตาหูคู่กับเสียงกินคู่กับจมูกลิ้นคู่กับรสกายคู่กับสัมผัสใจคู่กับอารมณ์นึกคิดยึดคู่กันเพื่อมากระทบกันแล้วเกิดอะไรเกิดจักขุวิญญาณังวาโซตะวิญญาณังวาเกิดการรู้รู้อันนี้ อ, อันนั้นอันนี้ขึ้นมารู้ผู้หญิงผู้ชายรู้ต้นไม้ป่าไม้ภูเขารู้พระรู้เนรรู้เป็นจักขุ พอรู้มันไปรู้เฉยๆเกิดผัด ส, สัจกจะคุ้สัมผัสโซวาขณะสัมผัสโซวาโซตาสัมผัสโซวาพอรู้แล้วก็เข้าไปสัมผัสกระทบที่ใจแต่แรกมันกระทบที่ตาก่อนกระทบที่ตาไม่มีปัญหาอะไรกระทบที่ตารู้เฉยๆนะพอไปกระทบใจพอกระทบใจสภาพเกิดอะไรเกิดเวทนาอ่าเกิดเวทนา เวทนาว่าไงเวทนาชอบหรือไม่ชอบอสันสัพพัญจะกขุสัมพชัชชาเวทนาว่าที่เราสวดชอบหรือไม่ชอบพอเวทนาแล้วก็เกิดสัญญาสำคัญ ม, มันหวเออไอนี้แหละเราชอบนะเสาตดงนี้เราชอบเป็นจกักขุหาลุปสัญญาว่าเออเสียงนี้เออพูดแล้วนุ่มดีนะพูดแล้ว ไพโรดีนะ่ชอบอพูดแล้วไม่เข้าท่าเลยไม่ชอบฮเป็นรูปปัญญาว่าจะผู้สัมปะสัทสัญญาว่ า, า, า, า, ญญ า, วาทีนี้พอมันชอบสมมุติมันชอบมันเกิดสัญญาเจตนาก็คือปรุงละเริ่มคิดเอ้ทาไงได้ฟังเสียงนี้เรื่อยทําไงได้ดูรูปนี้ได้เรื่อยทำไงได้ชอบได้หากลิ่นนี้เรื่อยๆทําไงได้ริมรถนี้เรื่อยทำไงได้สัมผัสอย่างนี้เรื่อยๆ สัญญาเจตนาวา่าที่มันนึกแค่นั้นไม่พอมันเกิดวิตกคือดำริในเรื่องนั้นบ่อยๆคิดหาในเรื่องนั้นบ่อยๆแล้วก็วิจารณขวนขวายมองหาเป็นสังขารเห็นไหมกลัวมันจอมันจบขบวนการได้แค่รัดนิ้วมือเดียวนะแต่ท่านผู้รู้ท่านแยกเอาทั้งแปดขณะเลยทีนะตั้งแต่อันแรกทั้งแด่อะรหนึ่ง วิาณสองภษัษสะสามเวทนาสีสัญญาห้าสัญญาเจตนาหกตัณหาเจ็ดวิตกแปดวิจารแค่ลิตรัดที่เพืเดียวเนี่ยนี่คือคือท่านผู้รู้ผู้ที่สังเกตแล้วท่านก็นมาแยกเป็นขั้นตอนของการเกิดตัณหาที่มันเกิดแต่ละครั้งเนี่ย อันนี้คือท่านก็แยกย่อยลงไปอีกซึ่งถ้าหากว่าเราไม่ใช่นักจนนั่งจําอะไรเราก็ฟังแล้วก็แล้วเราก็ผ่านไปใช่ไหมแต่ทีนี้เนื่นองจากพระธรรไม่สวดบ่อยไม่จํามันก็ไม่ได้สวดไปสว่วนมันก็จำหมดทั้งเล่มมาแหละเพราะอะไรเมื่อกีสวดแค่ผู้วันอะทีนี้บางคลก็สวดทั้งทุก ท, ทั้งปีเหมือนกันหลายปีเหมือนกันแต่ไม่เคยจําเพราะไม่ใส่ใจ ไม่ใส่ใจทีนี้นเราเป็นนักปฏิบัติเนี่ยต้องใส่ใจรู้อะไรเกิดก็ตามใส่ใจรู้ในอาการของเราตั้งใ่ ห, หัวโจดเท้าเนี่ยมันเป็นอย่างไรรู้คือหน้าที่ของเราคือจะมารู้สิ่งเนี้แต่เนื่องจากเราอยู่ทั้งโลกเราจะมารู้สิ่งนี้อย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้มันจะต้องคิดหาเงินหาทองหาข้าวหาของคิดเรื่องอวัตถุสิ่งของในบ้านเราเป็นหมืนหม่นมนแสนแสนชิ้นเ น, น, นี่ยใจเราไปอยู่ตรงนั้นหมด แต่ว่าเป็นพระท่านมีไม่กี่ชิ้นใช่ไหมมีผ้าสามผืนมีบาทหนึ่งใบมีกรดหนึ่งอันแล้วก็มีเสนาสนะแค่นั้นอะไม่กี่ชิ้นจิตมันก็ไม่ได้ไปวนในเรื่องสมบัติเป็นร้อยๆชิ้นผันชิ้นใช่ไหมแต่ผู้ที่มาศึกษาเนะี่ยท่านทําเรื่องทั้งบทให้มันแคบลงมาเรื่องให้มารู้เรื่องนี้เรื่องเดียวเป็นหลักถ้ารู้เรื่องนี้แล้วเนี่ยเรื่องอื่นไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้ พราะทำไมเราไปรู้เรื่องอื่นเยอะแยะเพราะจิตเราไม่มีที่พึ่งมันยังพึ่งตัวนี้ไปได้มันก็ต้องไปพึ่งสมบัติอ่าปัจจัยสี่ปัจจัยแปปัจจัยร้อยปัจจัยพันปัจจัยหมื่นปัจ 10, ปจัยแสนไม่จบแต่พระพยายามทําทั้งหมดลงมาเป็นเหลือแค่ปัจจัยเท่านห้นปัจจัยสี่นะแค่นั้นเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าอันนี้คือวิธีของโลกคือทําเรื่อง มากให้เป็นเรื่องน้อยทําเรื่องน้อยให้เป็นเรื่องจริงแต่วิธีวิธีของธรรมนะทําเรื่องมากให้เป็นเรื่องน้อยทําเรื่องน้อยให้เป็นเรื่องจริงวิธีของโลกทําเรื่องน้อยให้เป็นเรื่องมากทําเรื่องมากให้เป็นเรื่องเท็จปรุงแตงไปเรื่อยเท็จขยายความไปเรื่อยเรื่องหาความจริงไม่เจอแล้วทีเนี้ยเขาเรียกว่าสมมุติอ่าแก่นของมันเรียกว่าปรามาตุเนี่ยแล้วเราจะไม่ทุกข์ได้ยังไงโดยเฉพาะ ถ้ามาสนใจพ่อในล่างรูปล่างของเราเนี่ยวันวมันวิกลวิการแค่ไหนเอามาก็แปลกใจว่าเอ๊ะเขาแต่งงานกันอยู่ได้นานไงโดยเฉพาะตัวเราเองเนี่ยแทบจะทุนมันไม่ได้แล้วแต่ละวันคือน้ําลายผิดจังหวะหน่อยมันก็ไอแล้วเดินผิดจังหวะหน่อยมันก็เตะแล้วจับกระติกผิดจังหวะหน่อยน้ำมันก็ล้มเลยอยเงี้ยเห็นไหมมันวิกลวิการตลอดเวลาในเรื่องลูกอืมแล้วแล้วเราไปอยู่ด้วยกันเป็นครอบเป็นคนมีลูกเวลาทุกทีโหทุกข์มากไายมหาศาลเลย ผู้ทีเจ้าท่านถึงหนีไงเพราะลูกเกินมาขาคนแรกก็หนีเลยนะฮะอันนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นเราลูกคนหนึ่งก็ยังไม่รู้สึกเอาสองคนก็ยังไม่รู้สึกเอาสามคนก็ยังไม่รู้สกสี่คนก็ยังไม่รู้สึกโอ้ทุกท่วมหัวหท่วหมหางเลยทีนี้อันนี้คือสิ่งที่เราสวดเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่มันมีสาระให้เราพิจารณาลงไปในรายละเอียดเท่านใช้คำว่าโยนิโสมนัสิการเออเรามีตาแล้วนะ ในตาของเราเนี่ยมันทําหน้าที่เห็นนะเห็นอะไรเห็นรูป <c oughs> เ, เห็นรูปแล้วเป็นยังไงก็รู้สึกกระทบที่จิตกระทบจิตเป็นยังไงชอบหรือไม่ชอบชอบไม่ชอบแล้วเป็นยังไงจดจำเอาไว้จดจําม็นยังไงคอนขวายมองหาคอนขวายมองหาแล้วเป็นยังไงอยากอยากแล้วเป็นยังไงก็พยายามที่จะมองหาวิตก ดำลิหาแล้วก็วิจารไปแปดขณะแค่ลิศรัดในมือเดียวนะแค่เอื้อมมือไปหยิบกระดาษแค่นี้มันจบและแปดขนาดนี่ถ้าสมมุติว่าเราไม่มีสติแยกใครจริงๆเราจะรู้ไหมก่อนที่ละ ม, มือจะไปถึงกระดาษเนี่ยมันไปได้ไงมันต้องเริ่มลําดับนี่เลยเริ่มดําดัว่าเออ น, น้ำหมูกสัญญะไหลแล้วนะใช่ไหมมันก็รู้สึกแล้วคิดว่าน้ํามูกฉัญญะไหลแล้วนะ มันก็ไปสั่งอะไรมากทีคิดว่าน้ำมุกฉันจะอะไรเนี่ยมันรู้สึกผัดสัอะไรใช่ไหมาาัแล้วก็เกิดสมองมันก็สั่งขึ้นมานะต้องบำบัดนะมันทุกข์อะไรใช่ไหมมันทุกข์ทุกข์กมันก็สั่งเป็นลักษณะนี่เป็นอะไรบโนกรรมพัณนกรรมมันก็มีพลังสั่งกายกรรมให้เคลื่อนพอเคลื่อนไปถ้าเราไม่กำหนดรู้อีก มันก็แ ป, ป๊บๆไปเลยเนี่ยถ้าเราเป็มนเออคอมนุกับมกายกรรมขึ้นไปแล้วก็ไปผัดสะตย์จะขูอ่าจะขู่วิญญาณรู้นนี่เป็นกระดาษใช่ไหมแล้วมันถึงสัญญาวาา่ากระดาษจะสัญญาเจตนาข้าวเอามาแล้วก็เป็นตำหาได้มาตามต้องการาได้มาแล้วทําไงต่อไปจะทำยังไงต่อไปนี่เห็นไหมครบแค่นั้นน่ะ แค่ลันิ้วมือเดียวแปบ๊บเดียวนะไม่ถึงไม่ถึงนาทีไม่ถึงสองนาทีลายละเอียดอยันเนี้ยละเอียดยิบเลยทีนี้แต่ละวันแต่ละคืนแต่ละเดือนแต่ละปีเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันผ่านไปขนาดไหนโอ้โหอันนี้คือท่านว่าเหตุเกิดทุกเพราะเราไม่แยบขายท่านใช้ก็ว่าอะโยนิโสมนสิการคือไม่แยบขายในทุกขไม่แยบขายในเหตุเกิดทุก นะเมื่อเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรไม่แยก ข, ายา <c oughs> ลลขา่ายเพราะตัวหลงลืมฉันใช้คําว่าอวิชชาเพราะตัวหลงลืมความเคยชินอวิชชาตัวเนี้ยตัวอันอาแหวนนั่นแล้วทำงไงก็ต้องมาสร้างตัวรู้ขึ้นมาอาวิชชาแปลว่าตัวไม่รู้ตัวหลงลืมแล้วก็สร้างตัวรู้ขึ้นมาก็โดยการมานั่งทําอย่างนี้แหละรู้ดังแต่รู้ใกล้ๆตัวเองก่อนนะ รู้อย่างไรก็รู้ด้วยกันมากาหนดมาตามรู้ในสิ่งที่ปรากฏเมื่อก่อนเราลืมหมดนะเราจะทุกข์ขนาดไหนเราก็ไม่เคยเอาจักมาคิดมาพิจรารณาเราจะลุกจะนั่งจะยืนจะเดินขนาดน้อยขนาดไหนจะเคลื่อนจะไววขนาดไหนเราก็ไม่เคยพ้อดูอะไรเป็นเรื่องเป็นราวตลอดชีวิตเลยนะเห็นไหมอันนี้คือ เหตุให้เกิดทุกข์พอพุทธิยถาตรัสรู้มาปั๊บเนี่ยท่านก็มาเห็นตอนแรกก็ไปเห็นเหตุที่ที่มันไกลๆซะก่อนตามเข้ามาตามเข้ามาจะไปเหตุใกล้ในที่สุดท่านก็มาเห็นในจุดนี้ตามเข้าไปตามเข้าไปว่าทุกข์ที่มาจากไหนตาหูจมูกลิ้นกายใจมาจากไหนรูปเสียงกลิ่นสัมผัสมาจากไหนตาหูจมูกลิ้นกายรวมเรียกว่ารูปอ่า รูปเสียงกิน่นรสสัมผัสก็เรียกว่ารูปใช่ตาหูจมกูกลิน้นกายเรียกว่ารูปรูปเสียงกลิ่รสสัมผัสก็เรียกว่ารูปใจและธรรมารมณ์นั้นเป็นนามในที่สุดท่านก็ย่อลงมาหรือสองอย่างคือรูปกับนามกายกับใจเนี่ยทำของเยอะให้เป็นของน้อยลงมาทีนี้รูปกับนามที่เรามีอยู่เนี่ย เรารู้อะไร ไ, ไหมเลืออาการของรูปไปยังไงอาการของนามไปยัไงอาการของรูปมันก็วิกลวิการไปตามลักษณะของอะไรอนิจจ์ทุกขังอนัตตานั่งเมื่อกี้สบายๆอ่าเพราะมันเปลี่ยนแปลงไม่สบายแล้ะทุกขงังไม่สบายท่านี้นั่งไม่ได้แล้วเปลี่ยนท่านี้ไปท่าใหม่เป็นอนัตตาสักพักหนึ่งอ่ามันก็ทุกข์อีกก็สลับยุงอย่เงี้ยแต่เราเคยเห็นกระบวนการ เหล่านี้ไหมที่มันพัาไม่เคยนี่คือเรียกว่าอาวิชชาเพราะเราไม่เข้าไปพี่นิดพี่แจ่ไม่คอยเฝ้าดูไม่เข้าระเด็นรู้ก็ไม่ไปศึกษาไม่สังเกตในขบวนการนักการอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาทางนี้แหละนั่นเรียกว่าอาวิชชาทีนี้พอท<ม>่านผู้รู้เห็นว่าเราถกขืนไปนอย่างนี้ไปตลอดเนี่ยชีพมนุษย์มันก็ไม่ต่างกับสัตว์เพราะสัตว์มันก็เป็นอย่างนี้เหมือนกัน ในฐานะมนุษย์เนี่ยมันสามารถเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ได้ท่านก็เลยเริ่มมาศึกษาเมื่อเป็นรูปเป็นนามอะไรเป็นรูปภาวะที่เป็นรูปคือภาวะที่มันแคนมันแข็งมันตั้งอยู่ได้เช่นเรานั่งได้เป็นอาการของธาตุอะไรธาตุดินแล้วื่อนไหวได้เนี่ยยกมือได้อาการของธาตุอะไรธาตุลมอ่าแล้วในตัวของเรามี เย็นอน อ, อ่นแข็งเข่งตึงเจ็บปวดปรากฏได้เห็นเป็นธาตุอะไรเป็นธาตุไฟและธาตุน้ําใช่ไหมในลักษณะที่เย็นที่เหลวเป็นธาตุน้ําลักษณะที่มันเจ็บมันปวดมันแสบมันเผามันไหมเป็นธาตุไฟเห็นไหมดินน้ำหลวงไฟก็ทํางานมันตลอดเวลาลักษณะอาการของรูปคืออาการของธาตุสีดินน้ําลวงไฟเนี่ยเห็นไหมละเอียดเข้าไป ที่ในรักษกาอาการท่าสุสิน้ำหนูไฟมันแสดงออกมาทางไหนบ้างเช่นเรามีตาล้รากรู้สึกขันตามีหัวรู้สึกปวดหัวอย่างงนะี้นมีผมรู้สึกผมหล่นผมร่วงออกมาในอาการ32ผมขนเล็บฟันหนังไปเลื่อยจนกระทั่งลุกอย่างตับไจเส้ภูมิดีเสลจน้ำานองน้ำเลือดเหงื่อเอ็น ดูมันข้นม <started> ันเหลวน้ำเมือกน้ำหนองน้ำลายอะไรต่างทั้งหมดรวมแล้วมี3 2มอย่างเนี่ยก็มันก็วิกฤตวิการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอาการสั่งสอนโดยสบายเดี๋ยวไม่สบายมันเพราะทุกอย่างทุกตัวเนี่ยมันมีลักษณะที่ติดมันมาก็คือลักษณะของการเปลี่ยนแปลงเสื่อมสลายแตกดับอนิจจังทุกขังรตาตลอดเวลาการหมุนของสิ่งเหล่านี้ แต่ละเซลเนี่ยแต่ละเซล์ที่เล็กที่สุดเนี่ยในตัวของเรานี่มีตั้งหลายล้านเซลใช่ไหมที่เล็กๆกมันก็ตกอยู่ในอาการของนิจังหรือของแต่ละแต่ละเซลลทําหน้าที่ของมันคือเปลี่ยนแปลงแตกดับตลอดเวลารวมมาแล้วทําให้เราสบายไม่สบายรู้สึกสบายสบายถ้าดูหน่วยเล็กลงไปเมื่อเห็นอย่างนี้เนี่ยเมื่อเข้าใจอย่างนี้จิตของเราก็เริ่มเห็นความจริงมากขึ้นเรื่อยๆอาการที่เราจะมาอึดงัดอึดอัดหยิดลำคานไอสิ่งที่มันเกิดเนี่ยมันก็จะน้อยลงน้อยลงเพราะอะไรเพราะเห็นเหตุ ไอสิ่งที่มันมีขณะนี้นะเพราะมันมีเหตุนะมนไม่ใช่เป็นจูๆ่ๆมันเป็นมาเองนะเหตุมันคืออะไรแล้วคาดักลงไปเราเริ่มยอมรับความเป็นจริงได้ได้มากขึ้นมากขึ้นยอมรับความทุกข์เพราะเห็นเหตุเกิดทุกข์เมื่อเรายอมรับความทุกข์เพราะเห็นเกิดเหตุเกิดทุกข์เราปฏิบตัติต่อมันอย่างมีวิชามีความรู้สึกตัวอย่างนี้นิโรธซึ่งเราจะสวดในวันต่อไปเนะี่ย มันก็เกิดนะซึ่งตรงนี้ยังไม่ต้องไปลงลึกนะอันนี้คือในการที่เราสวดแต่ละ ว, วันก็เอาบทสวดนี่แหละเอามาเรียนรู้ในความเป็นจริงที่เรามีอยู่นะะนั่นคือก็จะไม่พลาดไปทั้งหลักปฏิบัติที่เราทาอยู่และทั้งหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าว่ามันสอดคล้องกันยังไงเราก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นว่าออสิ่งที่เราปฏิบัติมันไม่ผิดนะ มันก็สัมพันธ์กับคําสอนพระพุทธเจ้าอย่างชัดเจนและพิสูจได้ด้วยนั้นเบื้องต้นที่สุดเราก็กลับมารู้รูปกำลังเนี่ยในส่วนที่เป็นรูปที่ว่าไปเมื่อกี้ว่ามีอาการของทาตสีอาการทาตุสามธาตุสีอาการ32และในส่วนเสื่อมสลายในส่วนที่เป็นแตกดับอสุภะมันก็ทํางานอยู่ตลอดเวลาในส่วนที่เป็นรูปแต่ถ้าหากว่าเราไม่แยกคายในการเปลี่ยนแปลง อันนี้จังทุกขงังหนตาของรูปแล้วเราก็จะไปสำคัญมั่นหมายรูปนี้ว่าเป็นเราเป็นของเราอันนั้นเป็นสมุทยัยละคืออยากอยากจะให้รูปเราเป็นอย่างนั้นอยากจะให้รูปเราสบายอยากจะให้รูปเราไม่สบายโดยที่ไม่ได้ลงไปในรายละเอียดการที่เราไม่ได้ลงไปในละเอียดไม่เห็นเหตุที่แท้จริงเนี่ยนั่นแหละเป็นสมุทยัยไม่เห็นเหตุเกิดทุกข์มันกลายเป็น สมุทัยพอไปเห็นเหตุเกิดทุกมันเกิดเป็นนิอโรถเหตุมันต้องละเห็นแต่ทุกต้องรู้แต่เหตุต้องละนะคือหมายความว่าเขาไปรู้แล้วมันก็ละที่จะชอบหรือไม่ชอบละที่จะอยากละที่จะยึดละที่จะเบื่อมันละไปโดยปริยายพอไปเหนเหตุแล้วเนี่ยเห็นความเป็นจริงแล้วเนี่ย มันก็ไม่เข้าไปยึดละมันไม่เข้าไปอยากไม่เข้าไปยึดตัวนิโรธก็ปรากฏใช่ไหมมันปรากฏของมันเองนิโรธทำให้มันปรากฏปรากฏเพราะอะไรก็คือไปทำมรรคทำมรกคคือทำสติให้เกิดขึ้นทำสมาธิให้เกิดขึ้นทำปัญญาให้เกิดขึ้นตัวมรรคเองท่านเรียกว่าสมถวิปัสนาถ้าพูดถึงมรรคก็คพูดถึงสมถวิปัสนาถ้าเราตั้งใจดูที่รูปเป็นสมถะตั้งใจดูที่นาม อารมณ์ต่างๆเป็นวิปัสนาตั้งใจดูที่รูปเป็นสมถะเพราะนั้นสมถะและวิปัสนาจําเป็นต้องทำจําเป็นต้องปฏิบัติโดยอัตโนมัติเลยนะอันนี้คือหลักปริยัตินั้นในแง่ของการปฏิบัติแล้วเนี่ยมันไม่มากนะนิดเดียวนะไม่มากแต่ในหลักปริยัติต้องการเชีย่ยเห็นเหตุเหตุผลที่ไปที่มามันเป็นไปยังไงมาอย่างไรเนี่ยโดยที่เรา เห็นชัดอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็ทําให้เราได้ดวงตาเวลาลอยสวดธรรมจักจากขงมุทาปาที่เออเราเห็นเหตุเกิดทุกข์แล้วนะเราได้ดวงตาเห็นธรรมเราได้ดวงตาเห็นธรรมคือเห็นเหตุคําว่าธรรมนี่เป็นเหตุนะต้งใช้ว่าธรรมมันยุตารู้จักเหตุอัถนุญุตารู้จักผลเพราะฉะนั้นสิ่งไหนที่เป็นธรรมสิ่งนั้นมีเหตุถ้าไม่มีเหตุที่ไปที่มาไม่ใช่ธรรมมันผิดธรรมต้องมีเหตุเพราะนั้นเราไปรู้จักเหตุคือรู้จักธรรม ถ้ารู้จักเหตุของทุกข์มันมาจากอะไรก็ค่อยลําดับไปอย่างที่กล่าวมาตั้งแต่เหตุที่มันเกิดตันหาสามไอาการที่จะเกิดไปสู่ตันหาเนี่ยมันมีอะไรบ้างตําดับทั้งแปดลำดับที่กล่าวมาเมื่อกี้อ๋อ ม, มาจากแต่เวลาเราไปเรียนรู้จริงๆไปปฏิบัติจริงก็ไม่ต้องไปเรียนรู้ลําดับอย่างนี้หรอกนะก็ให้รู้ว่ามันที่ไปที่มาเป็นอย่างนี้แหละนะเหมือนเราอ่านหนังสือทั้งเล่มหมาสรุปข้อความมาเป็นอย่างนี้หนังสือหน้านึงเนี่ยสรุปแล้ว มันอาจจะเหลือแค่คําเดียวหรือบรรทัดเดียวนะทั้งหมดเราอ่านหน้า น, นี้เขาบอกอะไรบอกเรื่องความพอใจแค่นั้นแต่ขยายควเรื่องความพอใจในทั้งหน้ากระดาษเลยเราไม่จําเป็นต้องลึกลรงรายละเอียดแต่สรุปออมาว่าอ๋อหน้านี้มันพูดถึงเรื่องความความโศหน้านี้เรื่องพูดเรื่องความสุขหน้านี้พูดถึงเรื่องของความาขัดแยง้งอะไรเนี่ยก็สรุปออมาแค่นั้น เหมือนกันในร่างกายของเรามันบอกอะไรเยอะแยะไปหมดแต่สรุปออกมาแล้วแค่เหลือแค่สองคืออนะไรความพอใจและความไม่พอใจอแค่นั้นเองตลอดเวลาแค่สลับไปสลับมาแค่เนี้มืดสว่างสว่างมืดอยู่แค่นี้พอใจไม่พอใจสุขทุกข์อยู่แค่เนี้ยสลับกันมาฉันใช้คาว่าอภิชาและโทมนัส <c oughs> ซึ่งในภาคปฏิบัติแล้วเนี่ยอภิชาและโทมนัสต้อง กำหนดรู้นะไม่ใช่ไปยึดมันเมื่อมันสรุกออกมาอย่างนั้นแล้วเราก็ทํารูปกํานามหรือความพลอยใช่ไหพลอยจากสองให้มันเหลือหนึ่งเหลืออะไรทีนี้เออเอากานา ม, มากิ่งหนึ่งคืออะไรอะไรคือหนึ่งให้เหลือหนึ่งให้เหลืออะไรเหลือพูทโท เหลือพุโธเหลือร e ู um ้ตื่นเบิกบานเท่านั้นเองรู้ตื่นเบิกบานเนื้อเหลือคําเดียวคือเหลือพุทโธท่านก็เลยเอาคําว่าพุโธมาบริกรรมซะแทนที่จะเอามาใช้มันก็เลยไม่เวิร์กดังนั้นเรามาทำนี่ก็ไม่ได้ทําต่างจากพุทโธแต่จะทำเราทําตัวนู่ของพุโธทําเนื้อของพุทโธทาเนื้อหาของเนื้อจริงๆของพุโธเราไม่ได้ทำเปลือกของพุโธไอ้การที่เรามานั่งพุทธ หายจเข้าหายใออกโทเนี่ยอันนั้นเปลือกมันนะแต่ตัวเนื้อของมันที่เรามาทํานี่นแหละให้รู้สึกทําอะไรให้รู้สึกใส่พุโทโธเข้าไปตลอดใส่รู้เข้าไปตลอดนะอดังนั้นสังเกตดูดีๆเนี่ยเอามาโอ๊สนุกสนุกไงไอการที่เราจะเอื้อมมือไปจับอะไรสักอย่างหนึ่งให้ดูดีๆ ม, มันมีทั้งหลายอย่างอยู่ในนั้นใช่อหมอการที่เราจะขยับสักท่าห น, นึ่งเนี่ยดูดีๆลี มันมีทั้งหลายอย่างก่อนที่จะขยับมันอะไรเกิดขึ้นเคยลาดับไหมว่าก่อนที่เจะขยับไปท่านี้ไปสู่ท่าใหม่มันเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นบ้างทำไมเราต้องขยับอ่ามันต้องรู้สึกเป็นยงไงรู้สึกไม่สบายใช่ไหมไม่ว่ามากหรือน้อยก็ตามก็รวมแล้วไม่สบายกันแล้วกันนะถ้ามันมันสบายไม่อยากเปลี่ยนแบบแต่ที่ไม่อยากเปลี่ยนเพราะมันไม่สบายเพราะอะไรจึงไม่สบายง น, นี่ลักษณะลำดับเหตุตรงไปนี้เ้าเรียกรู่ปฏิจจสมบาทิเพราะเหตุนี้เพราะเหตุนี้เพราะความไม่สบายมีความ อ, าอยากอยากสบายจริงเกิดขึ้นที่ไอความอยากจะสบายนี้เกิดจากอะไรเกิดจากที่เราจะต้องอเริ่มจากอะไรคิดหาวิธีแต่เนื่องจากขบวนการทั้งหมดเราไม่ทันมันหรอกเพราะเราไม่เคยทดสอบ พลิกหลายคำพันหุนเราก็ไม่เคยลดำดับมันว่าเพราะอะไรมันถึงพิงมาท่านี้ได้เนี่ยเราเวลานักกีฬามันแข่งกันมีการเพื่อนพิ่นิดหนึ่งเนี่ยเขาทำไงให้เห็นชัดๆว่าไอเขาทําไงมันจะวิ่งเนี่ยชนะกันแค่ปลายจฉหมูกเนี่ยเราจะรู้ได้ไงมันชนะแค่ปลายจฉมูกมันจะไม่สามารถจะตัดสินใจตัดสินได้ด้วยสายตาธรรมดาเลยเขาทำไงเอาผ้ามารีเพย์แล้วก็ทําเป็น สโลโมชันแล้วก็จะเห็นจิกๆๆๆอันนี้ก็เหมือนกันการที่เราเข้าไปซิมบิฟลายหรือไปขายายขาบวนการตรงนั้นให้เห็นชัดชัดนั่นนะ่ยตรงนั้นเ็าเรียกายานทัศนะตามภาษาของกรรมฐานหรือตามภาษาของธรรมยานทัศนะต้องใช้ยานนะ่ะแต่ในส่วนที่เป็นรูปธรรมเขาต้องใช้กล้องไอ้สโลโมชันใช่มช่วยแต่นี่ภาษา ใจเนี่ยเขาเรียกวายานทัศน์ต้องเห็นละเอียดเขาเรียกว่ายานเห็นไหมเพราะฉะนั้นการที่เราไม่เข้าไปเห็นรายละเอียด่างนี้เรียกว่าเราไม่มีไม่มียานปัญญาเรียกว่าเวลาเราสวดจกักขุจกักขุงอุทัฏปิญาหนังอุทัฏปทิใช่ไหมการเห็นนั้นต้องการเห็นด้วยยานนะคือเห็นลําดับของการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่ชัดเจนยานทัศน์ยานหนังอุทัฏปิและวยานตัง น, นั้นต้องก่อให้เกิด เกิดขึ้นด้วยปัญญานะไม่ใช่ว่าเราไปคิดเอาไม่ได้ญาณตรงนั้นปัญญาอุทปะทิแล้วปัญญาตรงนั้นต้องมีที่ไปที่มาขเขาเรียกว่าวิชาไม่ใช่นึนกๆจะเป็นปัญญาขึ้นมาต้องมีที่ไปที่มาวิชาที่จะมีเกิดปัญญาทําไง <c oughs> แล้วก็ปัญญาอุทัพโลโกอุทปะทิเมื่อมันมีที่ไปที่มารู้ด้วยอย่างแล้วเกิดความแจมแจ้งเรียกว่าแสงสวา่าง จะคุ้งอุทภิปัญญาปญาหังอุทภะทิปัญญาอุทภะทิวิชาอุทภะทิอโลโก้อุทภะทิอโลโกก็เป็นแสงสว่าเพราะนั้นไอการคลิกแต่ละท่าเนี่ยให้เราเห็นด้วยปัญญาญาณทีเนี่ยเราจะเห็นลําดับมันชัดเจนว่าไอความไม่สบายเมื่อกี้มันหายไปได้ยงไงใช่ไหมพอนั่งลงไปปั๊บไอความสบายมันเริ่มใหม่ไม่สบายมันเริ่มใหม่อีกแล้วใช่ไหมมันเริ่มอย่างละนิดทีละนิดพอนานเข้านัานเข้าไปไง เข้มขึ้นเข้มขึ้นจากความไม่สบายมันก็มาจากอะไรไมาจากความสบายนั่นเองเพราะฉะนั้นในแง่ของปรมัานและความสุขกับความทุกข์ก็เป็นสิ่งเดียวกันแต่อันหนึ่งเป็นต้นอันหนึ่งเป็นปลายความสบายไม่สบายก็เป็นสิ่งเดียวกันอันหนึ่งเป็นต้นอันหนึ่งเป็นปลายเห็นไหมเพราะฉะนั้นถูกต้องไหมที่เราจะไปวิ่งหาสุขแล้ววิ่งหนีทุกข์นะถูกต้องไหม แต่เราก็ทํามาตลอดชีวิตอะใช่ไหมแต่ท่านที่มันไม่ถูกอะมันถึงได้ทุกข์ไงอ่วิ่งไงวิ่งหาความสุขแล้วกว็วิ่งเวลามันทุกข์ขึ้นมาวิ่งหนีแล้วจะวิ่งหนีไปไหนอะเพราะไม้เล่มเดียวกันนะนะอันหนึ่งมันหัวนหนึ่งบนท้ายเท่านั้นเองไงเอออันนี้คือเหตุเกิดทุกข์เห็นไหมซึ่งเป็นเรื่องตลกมากมเลยนะเอามามาเห็นแล้วหัวเราะตัวเองเลยนะโอ้โหแกบ้ามานานเหลือเกินอันอนี้นะอยาจะเลิกบ้าจะถี่แล้วก็วิ่งหา เงินหาทองหาข้าวหาของวิ่งหาสมบัติวิ่งหาลูกหาเมียหาผัววิ่งสารพัดวิ่งหาเพื่อจะไวคิดว่ามันจะเป็นสุขอ่ะแต่ด้วยความไม่รู้ก็ให้เกิดอวิชาก็ให้เกิดอยากอยากให้เกิดเกิดยึดยึดก็ให้เกิดกรรมอวิชชาฐานหาผทานกรรมก็จะวนอยู่แค่นี้แต่เรามาแยกในรายละเอียดอวิชชาฐานหาก่ย่อมาจากปฏิจจสุบาท <c oughs> ย่อมาจากอวิชาก็ให้เกิดสังขารเป็นต้นไปจนถึงนุ่นแหละ วงจรมัน12อย่างแต่ถ้ามันย่อเหลือแค่อวิชาตห า, านบาตรกรรมแค่นั้นเองนะเพื่อจะได้ง่ายขึ้นอวิชาตฐานบาตรกรรมก็มาย่อเหลือ2คือรูป ก, กับนามในฝ่ายที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์แต่ถ้าเรามาศึกษารูปกลับนามด้วยสติด้วยปัญญามันก็เหลือสองเหมือนกันก็เลยรูปกลับนามที่เป็นเหตุให้ดับทุกข์คือทุกข์ละกันดับทุกข์ก็เหลือแค่2องอริยสัจสี่ทุกขสมุทยัยย่อเป็นทุกข์ใช่ไหมนิโรดมักย่อเป็นดับทุกข์ ทุกเป็นรูปแล้วก็การดับทุก็เป็นนามเ<ม>ห็นไหมนี่ง่ายๆกา ร, การเรียนในลหลักของอริยสั์แต่ถ้าเราไม่รู้มันไม่ง่ายนะฮะมันคอนฟิวมันสับสนมันหมดเลยนั่นเราต้องพยายามศึกษายอย่างเงี้ยทบทวนไปมันในสุดอาจากสองาทาให้มันเหลือหนึ่งเหลืออะไรอย่ารู้สิบตัวเห็นไหมเพราะนั้นเราก็ทำ จากหลายๆนนสี่พันะ 84, ธรรมาคำยอดเหลือหนึ่งเราจึงพลาดไม่ได้ไงเพราะเยอะแยะเหมือนรอยอดเหลือหนึ่งเท่านั้นเมื่อมันเหลือหนึ่งแล้วยังไม่เอาอีกอะจะเอาอะไรอย่างนี้เนี่ยสมควรตายสมควรทุกข์สมควรตายเลยอะ่ะนี่มันกันเถอะอ่าพราะถ้าศึกษาเรื่องนี้ให้ดีแล้วชีวิตทั้งชีวิตนี้ไม่ต้องทําอะไรอีกไงแต่มาทำเรื่องนี้เรื่องเดียวจบแต่มันไม่จบ อ่ามันยังมีอีกหลายเรื่องเราก็ไปโทษว่ามันมีบากรรมก็มีบาเราไม่อยู่ที่มันก็มีบามันก็เกิดแค่นั้นแหละอถ้ามันหย่ดจะมันก็จบมีบานั่นเองใช่ไหมแต่มันหยุดมันหยุดไม่ได้หลวเพราะทำไมไม่ได้อ่ะก็เราไม่ทําอ่อแค่แ่นั้นเองถ้าเราทํามันก็ได้แค่นั้นแหละเออสมมุติว่ามันเออถ้าหยุดคี่ทันทีมันเป็นไปไม่ได้มันยากแล้วก็รดเออวันนี้มันคิดร้อยเรื่องก็ให้มันเหลือสักเท่าไหร่ดี สักเก้าสิบวันต่อไปก็เหมือนเดสัแปดสิบวันต่อไปก็เหมือนเสเจ็ดสิบลดลงมาเรื่อยๆก็ได้เมื่อใดมันเหลือเรื่องเดียวนั่นแหละใช้ได้แล้วตลอดชีวิตทั้งชีวิตนี่มันจะลดไม่ได้เชียอเลยมันต้องได้น่ะพยายามไปทุกวันทุกวันลดลงมาวันวันนี้วันนี้มันลดลงมาแปดสิบวันต่อไปพุ่งขึ้นไปร้อยเหมือนเดิมอีกเลยวันนี้มันลดลงมาเจ็ดสิบวันต่อไปมันเกินร้อยอย่างงี้นะโอ้ อย่ำไปยา ม, มาอย่างงี้แหละมันก็เลยไปไหนไม่ได้สักทีหนึ่งเนะี่ยเพราะนั้นเรื่องนี้มาถึงบอกว่าโอ้มันสนุกจริงๆนะีมันก็เริ่มไม่ง่ายเบือ่อแล้วไอ้สิ่งที่เราเป็นเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องอะไรมันก็ไม่มีความหมายแล้วแหละทีเนี้ยเรื่องสุขเรื่องทุกข์ไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยเป็นเรื่องเล็กๆมากแต่เรื่องที่ไปที่มาของลูกของนาม ที่สุดแล้วมันก็จะเหลือแค่สองชีวิตของเราประจําวันนะเคยได้ยินพุทธวัตติอนที่ว่าพระพุทธองค์ที่อธิษฐาบนบรรพชาครั้งแรกท่านตัดพระเมารีใช่ไหมตัดผมของท่านอนะ่ะเขาบอกว่าเหลือแค่สององค์คดีและจากนั้นนะผมพระองค์ไม่งอกขึ้นอีกเลยคดีนั้นนี่ไหมพุทธวัตะบางคนไกลวัดอาจจะไม่เคยได้ยินก็ได้นะแต่คนใกล้วัดได้ยินใช่ไหมว่าพระพุทธองค์อธิษฐาบนบรรพชาตัดพระเมารีด้วยพระขัน แล้วก็พระเกษรที่ตัดนั้นก็มีใครนะเอาพระอบทองมาลองรับเอาเนอ่ยท้าวสกะเทวราชใช่ไหมเอาลองรับเอาไปนน่นเอาไปสถิตไว้ที่ไหนนี่อ น, นิทานว่าเอาไปเรื่อยๆหมือนกันนะเอาไปสถิตไว้นน่นเกียรเกียรอยู่แล้วมณีบุญสวรรค์อะไรก็ว่ากันไปซึ่งมันไม่ใช่เรื่องนะแต่นั่นพรามเขาว่าไว้เพื่อที่ผูกให้เป็นเรื่องเวลาดึงใจคนนี้เลยล้ว แต่คนจริงแล้วมันปิศนาธรรมว่าเมื่อเราเข้าถึงเข้าใจจุดนี้แล้วเนี่ยในชีวิตแล้วมันจะใจะเหลือแค่สององคุลีนี่แลหละคืออะไระเหลือลูกกับน้ำแค่นั้นแหละแต่เราวันไม่มีอะไรมากกว่า น, นั้นเนี่ยบอกว่าหลังจากนั้นพระเจศาหรือผมพระพระองค์มไม่งอกขึ้นอีกเลยตั้งแต่จัดวันนั้นแล้วถ้านักวิทยาศาสตร์เขาฟังเขาเชื่อไหม โอ้เรื่องนี้กหกทั้งเพยเลยมันเป็นไปได้ไงคนกินข้าวกินน้ำมันก็ต้องเกิดตามหลักของธรรมชาติอันนี้เป็นปิศนาธรรมบอกว่าตั้งแต่พระ อ, องค์รู้เรื่องนี้ดนวันนั้นแล้วเนี่ยกิของพระองค์ก็จะมารวมอยู่แค่อาการสองอย่างนี้กันคือรูป ก, กับนามกายกับใจแค่นั้นมันไม่เคยงอกออกไปเป็นถ้ามันงอกก็เป็นสังขารใช่มหมคือหมายความว่าเราปรุงแต่งหมายความวผมมันงอกแล้วปรุงแต่งวันหนึ่งเรานี่ โดยเฉพาะอยู่ผู้หญิงนี่งอกมากเพาผมยาวเรื่อยๆได้ตัดผู้ชายเลยผมสัน้นเขามาก็คิดตลกไปอย่างนั้นไม่ค่อยตัดดังนั้นปล่อยให้มันยาวนั่นแหละโยมแก้วหรือทนไม่ไหวตัดทิ้งเสีว่าให้มันสัน้นกันเลยได้ผมสัน้นเขมาพระบอกว่ายังยาวไปโกนมันทิ้งเลยนะพระก็ยิ่งสัน้นเข้าไปอีกเนะี่ยอันนี้สาเหตุที่มาก็ทําไมต้องปรุงผมให้เป็นอนุสติว่าเธอทั้งหลายก็ต้องทําใจให้อย่างนี้นะอะไรเกิดขึ้นก็ตัดออกไปเลย อย่าไปเหลือเอาไว้ทก็เอาเนี่ยไม่ใช่เหลือสององคุรีนะไม่มีเหลือเลยแม้แต่องค์คุรีเดียวนะ <c oughs> ต้องทำขนาดนั้นฮนะมัน <c oughs> นั้นนั่นเราจะเห็นว่าขอ้อแท้จริงในชีวิตบางอย่างเรามองข้ามไปแต่ถ้ามองละเอยียดมีอะไรเยอะแยะมหาศาลมากในโลกเนี้ยแต่เนื่องจากเรามองข้ามหมดเรามองไม่เห็นเพราะเรายังไม่มีอะไรไม่มีตาทิพย์ <c oughs> ถ้าปฏิบัติเรื่องนี้ไปเยอะๆแล้วมันเกิดตาทิพย์มันเกิดหูทิพย์มึงไงคือได้เห็นในสิ่งเหล่านี้ยที่คนอื่นเขาไม่มองไม่ใช่คนอื่นเขาไม่เห็นนะเขาเห็นแต่เขาไม่และเขาไม่มอง <c oughs> อไม่ใช่คนอื่นคนอื่นเขาเห็นแต่เขาไม่มองแต่ผู้ปฏิบัติแล้วเห็นด้วยมองด้วยมันจะเกิดตาทิพย์มึงไงอมองมันบ่อยๆมองจนกระทั่งว่ามันมันติดหูติดตามันก็จะง่ายเข้ามาเรื่องราวที่มันเยอะๆมันก็แคบเข้ามาสั้นเข้ามา หมือนทีเมื่อก่อนเนี่ยเราแบก <c oughs> ของตั้งร้อยชิ้นนะฮะมันหนักใช่ไหมมันหนักพอเรารู้สึกตัวมันหนักเราค่อยทิ้งไปเรื่อยเรืวันหนึ่งเราคิดร้อยเรื่องพันเรื่อง <c oughs> เรารู้สึกว่ามันหนักเราค่อยสลัทิ้งไปเรื่อยเในที่สุดมนันก็เพียงเหลือเพียงสองเรื่องแนะเรื่องสมมุติก็เรื่องปรมาภิเรื่องลูกก็เรื่องนามเรื่องสมุตดหมายความว่าเราต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งอื่นนะนี่เป็นลูก เรื่องนามคือเกี่ยวข้องกับตัวเองจะทําอะไรบ้างวันหนึ่งจะทํากับตัวเองอะไรจะทําก็คือทํากับคนอื่นอย่างไรที่จะไม่ไม่ทุกข์ไม่มีปัญหาทํากับตัวเองยังไงที่ไม่ทุกข์ไม่มีปัญหานั่นเรียก ว, ว่าตั้งอยู่ในอริยสัจแล้วทุกข์แล้วการดับทุกข์ทุกข์เกิดก็ดับทุกข์เกิดก็ดับเพราะว่าเราอยู่ในโลกของความเป็นจริงมันต้องเกี่ยวข้องตัวเองกับคนอื่นอยู่เงี้ยในการเกี่ยวข้องคนอื่นทํำยังไงเราก็ต้องตั้งหลักเรื่องศีลขึ้นมา เกนะี่ยวข้องกับตัวเองทั้งหลักของสมาธิและลปัญญาขึ้นมาเกี่ยวข้องตัวเองทั้งสองเรื่องคือต้องมีสมาธิและปัญญาเกี่ยวข้องคนอื่นเลยเรื่องสีมอย่างเดียวแต่ทั้งหมดทั้งปวงนั้นต้องมีสติเกี่ยวข้องกับคนอื่นไม่มีปัญหาต้องมีสติเกี่ยวข้องตัวเองไม่มีปัญหาต้องมีสติก็มาฝึกตัวสติตัวเดียวแต่ในตัวเดียวเนี่ยมันคอนเทนมันบรรจุอะไรไว้มากมายนะในตัวของมันเองดังนั้นเราจึงพยายามที่จะ ศึกษาเรียนรู้อย่างนี้อย่างมีระเบียบมีกฎมีเกณฑ์พอสมควรแต่สำหรับที่ทำกันมามันผิผผดพลา ด, ดมันแผลกๆแผเป็นเพีย น, นไปเพราะว่าเขาไม่เรียนรู้ในรายละเอียดในคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ศึกษาไม่สะดับหรือศึกษาสะดับแต่เอาไปทำไม่ถูกมันได้ผิดได้เพี้ยนออกมาต่างๆนานาเกิดเป็นลทัทธินิกายเกิดเป็นความเชื่อเกิดเป็นอะไรขึ้นมามากมายเนี่ยนะ ดังนั้นเองการที่เรามาเจริญสติอย่างนี้แล้วโดยเฉพาะหนังสือเรื่องนี้ผมาแก้ไขมาเป็นสิบๆครั้งแล้วก็มีคนพิมพ์ต่อวันเดี๋ยวนี้แทนที่จะเป็นลิขสิทธิ์ของพระแสงเทียนเดี๋ยวนี้ใครอยากจะพิมพ์มพิมพ์แล้วก็แทรกอะไรเข้าไปเยอะแยะเลยเดี๋ยวนี้กลายเป็นถูกกลืนเป็นตําราพราร์มาแล้วถ้าวัดนั้นไปพิมพ์ก็แทรกเรื่องของวัดนั้นลงไปวันนี้ไปพิมพ์ก็แทรกของวัดแต่เอาเนื้อหาของเราไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นธรรมทานถ้าก็ทางพระแสงเทียนแล้วก็มาสวดเวลาเรามี ทอดเมื่อส่วนแล้แล้วก็แจงรายละเอียดให้ให้ฟังว่าคําสอนคุรเจ้ า, า เ, เดี๋ยวมองว่าโอ้เล่มเดียวนี้เหมือนก็บพัฏฐาบีห ล, นะลวงในลมที่หนึ่งหมเลยใช่แล้วก็คัดเอาแต่สาระสําสคัญออกมาแล้วก็เป็นหลักปริยัตในตัวเสร็จทันั้นเวลาปฏิบัติให้จำสองมาได้ก็ให้มันเหลือแค่หนึ่งถ้าจํามมันยเยอะไปก็ใ ห, ห ใ, หปให้เหลือแค่2องจำสองมันเยอะไปก็คือเหลือแค่1เอาแค่นี้ถ้าจํา5มันยิงเยอะห้าจำห้ำหคือจำอเลย ขันห้าใช่ไหมรูปเวทนาสัญญาสังขารถ้าจำสี่ก็จําหลักอริยสัจสี่ถ้าจํามก็จําอะไรสี่สวดิปัญญาถ้าจำสองก็จําอะไรจำรูปกับนามกายกับใจถ้าจำหนึ่งจำอะไรเจ้าตัวรู้ตัวเดียวเบาสบายเลยทีนี้เห็นไหมเราเคยสลับไปเรื่อยๆมันเยอะๆสลัดสไปอะไรไม่จําเป็นใช่ไหมนี่คำสอนพระเจ้าจะจําได้ถึงแปดหมี่พันเรื่องมันหนักเกินไปใช่ไหมก็ลดลงมาเรื่อยๆก็เหมือนกับ ตัวไม้ต้นหนึ่งอ่ะใบมันมากกว่าแปดหมพันใบมะขามมีไงนนะวะแล้ว เ, เสร็จแล้วเราจะกินยิงเหลืออะไรเหลือเนื้อมะขามก็พอเลยครับนีคือรวมทั้งหมดเหมือนกันเรื่องที่อยู่ในจิตในใจของเรามันแปดหมสี่พันเรื่องเนี่ยรวมให้มันมเหลือเรื่องเดียวคือเรื่องอะไรรู้สึกตัวพอลนะนั่นนั่นคือสมมุติก็แบบเดียวกับประมัตดรูปประเดียวกับนามแต่เราต้องรู้จัก คัดเลือกจากสรรพส่วที่เป็นสาระในชีวิตประจำวันเราต้องการหนักก็หนักได้เราต้องการเบาก็เบาได้โดยเฉพาะเกี่ยวเราไปเกี่ยวข้องกับสมมติเกี่ยวข้องกับเรื่องผู้อื่นเนี่ยเราจะเป็นต้องแบกนะเพราะถ้ามันจะเป็นกรรมก็กรรมตรงนั้นแหละเพราะเราไปสร้างมันไว้ถ้าเรากลับไปสู่ครอบครัวต้องแบกลูกแบกล้านแบกพ่อแบกแม่แบกพี่แบกน้องแบกพ่อแบกเมียแบกสมบัติแล้วก็ไปเกี่ยวข้องมันอย่างถูกต้องมันก็ไม่หนักคือเราจะไปแบก ใช้แล้วก็วางใช้ก็ระวังใช้แล้วก็วา ง, าาวางแต่สําหรับคนไม่รู้ใช้แล้วก็เป็นไงใช้แล้วก็แบกใช้แล้วก็แบกไง้แล้วก็แบกมันก็ทุกข์ก็นดิโรคภัยไข่เจียบมากมายเอเดี๋ยวพ่อเป็นอย่างหนึ่งเดี๋ยวแม่เป็นอย่างหนึ่งเดี๋ยวผัวเป็นอย่างเดี๋ยวเมียเป็นอย่า ง, งเดี๋ยวเดีลูกเป็นอย่า ง, ง, อ, างอู้หูสารพัดเรื่องสุ้มอยู่ในหัวเนี่ยแต่พอเรามาปฏิบัติทมแล้วเราก็รู้จักปล่อยรู้จักวางเมื่อเห็นหน้ากันก็ รู้สึกว่าได้เกี่ยวข้องกันตามไม่เห็นหน้ากันคือมันเราอยู่คนเดียวนะเมื่อมีเกมีหน้าที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกันก็เกี่ยวข้องตามหน้าที่นะตามหน้าที่ที่เรามีอันนี้มันก็เป็นธรรมไม่ใช่ว่าการปฏิบัติธรรมมันก็ไม่ใช่ว่าจะทิง้งทุกอย่างสิ่งที่เรามีนะแต่เข้าไปเกี่ยวข้องมันเสื้อหมาเกี่ยวข้องเราเคยแบกก็ให้มันเป็นลักษณะอใช่เมันใช่เมันแลก็วาง ดังนั้นในการปฏิบัติก็เหมือนกันลักษณะที่เข้าไปยึข้องกับกายกับใจเรื่องของกายมีเท่าไหร่ 21,000 เรื่องเรื่องของวาจามี2องหมนึ่งพันเรื่องเรื่องของใจเรื่องเดียวเนี่ยเข้าไปเท่าไหร่สี่ห0ื่เรื่องรวมแล้วกายวาจาใจมีทั้งหมดเท่าไหร่แปดหมื่นพเรื่องโอ้หถ้าคือเข้าไปเกี่ยวข้องทุกเรื่องเนะี่ยโอ้โหตายเลยนะทุกข์นะ เราก็ย่อทั้งหมดแ4ดหมนสี่พันให้มันเหลือเรื่องเดียวนี่จะใช้คือเรื่องใจเรื่องรู้เท่านั้นเองเราก็จะเบาขึ้นชีวิตก็จะสบายมีความหมายถ้าหากว่าเรา <c oughs> ขืนแบกขืนยึดเอาไว้แล้วเนี่ยเราก็ชีวิตก็เกิดมาไม่มีความหมายแย่กว่าสัตว์สัตว์มันไม่ยึดไม่แย่แบกอะไรมันถึงเวลามันนอนห ล, ลับก็หลับสบายไม่ต้องกินยานอนหลับ เวลาร้อนมันก็นอนสบายไม่ต้องไปเปิดแอร์ถึงเวลาหนาวมันก็นอนสบายไม่ต้องไปซื้อฮีตใช่ไม่สบายกว่าเราเยอะเลยเออเวลามันไปสบายขึ้นมามันไม่ต้องไปโรงพยาบาลใช่ไหมมันก็ไปหากินหญ้ากินผักอะไรของมันก็รักษาโรคมันได้ก็เห็นไหมเวลาหมามันป่วยใช่ไหมมันก็ไปหากินกินยอดหญ้าของมันแต่เดี๋ยวนี้หมาที่คนเอามาเลี้ยงกับป่วยมันคนเลยต้องเข้าโรงพยาบาลเหมือนกันหมานะเพราะมันไปอยู่ใกล้คนมันก็ไปติดโรคคนก็ไปด้วยนะมันก็เลยต้องเยียวยาแบบคน โอ้คนนี่ไม่รู้นี่อยู่ยากมากเลยนะเพราะ น, นั้นยังดีนะคนที่ที่ไทยแล้วเนี่ยเกิดมายังได้เป็นคนอยู่บ้างแต่คนอเมริกาส่วนใหญ่เกิดมาแล้วเป็นหมาหมดเลยเพราะอะไร <c oughs> มันรักหมายิ่งกว่าคนอี ก, ก น, นะเออรักยิ่งกว่าลูกอีกนะรักหมาน <c oughs> ในในครอบครัวมันทะเลาะบาะแว้งกันเนี่ยอลูกผัวเมียไม่สนใจฉันชนใจเรื่องหมาเรื่องเดียวนะเอาหมาไว้ก่อนก็แล้วกัน ขนาดนั้นอมาก็บอกโอ้พวกนี้ตายไ ป, ไปเป็นหมาหมดเลยนะ <c oughs> คนมีกัน <c oughs> อก็มีโรงพยาบาลมีโรงเรียนอะไรเห ม, มือนคนเลยนะออ <c oughs> โยมคนหนึ่งอยู่ที่เทนเนสซีจะไปไหนทีก็โอ้หลวงพ่อเดี๋ยวจะเอาหมาไปโรงเรียนยังไม่ได้เลยไปหมาไปโรงเรียนก่อนเฮ้ยฝากวันอมานิทิดสิบวันเนี่ยเสียค่าโรงเรียนหมาวันเท่าไหร่วันละห้าร้อยเหรียญ ห้าสเป็น 50, ห้าสิบห้าร้อยเหรียญดเลยโอ้ขนาดนั้นนะเขารักมากเพราะฉะนั้นเราก็โชคดีที่เกิดมาเป็นมนุษย์นะเราก็พยายามศึกษาเรื่องนี้ให้ดีมันเป็นศาสตร์ที่สาคัญเรียกว่าพุทธศาสตร์เราก็ศึกษามันอย่างระมัดระวังในการทุกอย่างจะลุกจะนั่งจะแลจะเหลียว ท, ที่ท่านบอกเอาไว้นะซึ่ง สนใจแค่นี้แล้วเราก็จะเห็นแค่นี้เห็นกายกับใจเห็นรูป ก, กับน้ม <c oughs> แล้วคนทุกวันมันแปลกแปลงไงถ้ารู้แค่นี้มันเนี่ยไม่รู้อะไรมากกว่านี้เรากลัวงโงว่ไง น, นะเฮ้กลัวโง่ไอ้ที่กลัวงโง่มันยิ่งโง่หนักเข้าไปอีกนะฮ <c> ะ <oughs> คุณไม่ต้องกลัวงโง่หรอกไอ้ที่คุณรู้เยอะๆนี่ยมันมันทำให้คุณโง่มันมันไปท่วมทับความรู้ เพราะนั้นรู้น้อยๆใจมันจะเบาใจที่พร้อมจะให้เกิดปัญญาความเฉลียวฉลาดเนี่ยคือใจที่ไม่แบกภาระใจที่โล่งโปร่งเบาสบายแต่ใจที่หนักอึ้งไปโดยความรู้ความจำเน่ยเขาจะเห็นนบบันเราเมืองเราใช่ไหมมีด็อกเตอร์ศาสตราจารย์เยอะขนาดไหนแต่ว่ามันก่อปัญหาขึ้นยิ่งกว่าเด็กทําอีกใช่ไหมทะเลาะ ก, ก, กันเหมือนกับเด็กเด็กมันทะเลาะ ก, กันก็ไม่ยิ่งไม่เสียหายขนาดนี้ใช่ไหมแต่คนใหญ่ทะเลาะ ก, กันที่เราเห็น น, ะนั่นแ่ละเพราะมันรู้มาก ปัญหาเล็กน้อยกลายเป็นปัญหาใหญ่สิ่งที่ไม่น่าเป็นปัญหาก็เป็นปัญหานี่พะอเรารู้มากก็กลายเป็นโง่ามากไปดังนั้นเราก็รู้น้อยๆแต่รู้ของจริงนะก็จะไม่มีปัญหาเราก็จะสบายชีวิตนี้เกิดมาแล้วยังเป็นทุกข์อีกเนี่ยมันไม่คุ้มกันนะเพราะเราเกิดมาหลายภพหลายชาติแล้วทุกข์มาตลอดนะแต่เพราะเราไม่รู้มามาชาตินี้ ก็ขอให้เรามีความสุขบ้างแต่บอกกับตัวเองว่าตั้งแต่นี้ไปจนถึงตายนฉันจะไม่ทุกข์เลยเนี่ยเอออย่างนี้ยังคุ้มหน่อยนะก็มารู้จักวิธีดับทุกข์แล้วก็ยังทุกข์อีกเนี่ยโอ้โหเอาไงดีไม่น่าจะให้ข้าวกินเนี่ยรู้จักวิธีทุก แก่ยังไรก็บอกระดับยังไงก็ดับบอกหมดละเอียดหมดแ ล, แล้วก็ยังกลับไปทุกข์อีกไงจะว่าไงกันเพราะนั่นค น, นที่มาแพร่แสงเทียนแล้วกลับไปทุกข์อีกนี้เราไปอาจจะไม่ให้มาอีกนะไม่ว่ามีแต่จะมาช่วยกันเผยแพร่เรื่องที่ไม่ทุกข์เท่านั้นแหละ <c oughs> แต่ถ้ามันยังไม่ยังไม่จบก็ไปทําให้มันจบซะออกจากเราไปอยู่ที่บ้านทําอะไรหยิบหยับจับสวยถือเป็นการเรียนรู้ทั้งนั้นนะไม่ใช่มาเรียนรู้ที่วัดแต่หยิบอะไรแต่เจ้าอย่าง ลองลําดับดูกลัวมือมันจะไปได้เนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องหุ่นยนต์เนี่ยเอามันยากขนาดไหนกลัวมันจะนั่งแล้วมันเอื้อมมือไปหยิบของสักสิ่งสิ่งหนึ่งมาได้เนี่ยถ้าเป็นหุ่นยนต์สักตัวไอ้หุ่นยนต์ตัวนี้จะแพงขนาดไหนใช่ไหมเออแต่ไอเราอ่ะทําไมไม่เห็นความสําคัญของตัวเองไอการที่เราจะเอื้อมมือไปหยิบอะไรสักอย่างเนี่ยถ้าคิดเป็นเงินเป็นค่าเราถ้าล็อตบอลคือหุ่นยนต์ตัวหนึ่งมันตัวเป็นหลายๆแสนน่ะใช่ไหมบางทีเป็นล้านน่ะ แต่เราเอาเื้อมมือไปนี่แนวฟรีๆทาไมไม่เอาอ่ะ <c oughs> ถ้าเสียดายจริงๆนึกถึงไ อ, อ, อ, อ, อ้อาการอะไรที่เราทํามาเร้วแล้วที่เราไม่รู้ตัวนะะเพราะฉะนั้นไอ้การรู้ตัวนี่คือคุณค่าที่เราได้จากชีวิตนี้นะเราจะหยิบโอ้ต่อไปนี่จะเคลื่อนจะไว้อะไรมันรู้สึกเสียดายที่เราไม่รู้เสียดายที่คนตายไม่ได้ทําแต่ดังทินเขาว่าเสียดายคนตายไม่ได้อ่านใช่ไหม หลวงพ่อเลยตั้งใหม่เสียดายคนตายไม่ได้ทําเรื่องนี้ตายไปเ ป, ป, ป, ปล่าๆรี้ๆแล้วไม่รู้ว่าเกิดอีกเมื่อไหร่จะมาเจอแบบนี้อีกนะใช่ไหมไปเวียนว่ายตายเกิดแล้วเมื่อไหร่เขาจะกลับมารู้อย่างนี้อีกเพราะฉะนั้นเราจะไม่ยอมตายเด็ดขาดถ้ายังไม่รู้เรื่องนี้โดยบริบูรณ์ใช่ไหมหลวงพ่อถึงตั้งอายุไว้เยอะหน่อยกลัวมันจะไม่รู้ทั้งหมดหตั้งไว้เท่าไหร่รู้ไหมตั้งไว้สองรอยปีนะ ถ้าไม่ถึงสองร้อยปียังไม่ตายนะเก <c ười> ินกว่านั้นก็ไม่เอาต่ากว่านั้นก็ไม่เอา <c ười> เอ้าหลวงพ่อไม่ฝืนสักขันเลยก็ไม่ฝืนเนี่ยก็รักษารูบรอยเปอร์เซ็นต์ามร้อยเเซ็นต์เี่ยที่าสองร้อยปีนีนะ่ให้รู้จักรูบรอยเปอร์เซ็นต์เท่ากับร้อยปีแล้วใช่ไหมรักษานามอีกร้อยเปเซ็นในร้อยปีบางทีมันจะไปหรืวอว่าจะตายฟุ่งนี้ก็ได้เนะี่ยไ อ, ขอ้ของของจริง แต่ว่าให้ขณะนี้ฉันมีอายุ200ปีในขณะนี้นะฮะส่วนจะเรื่องภายนอกก็เป็นเรื่องของปัจจัยเหตุปัจจัยของขบัญชาไม่ได้เปิดกฎของอนัตตาแต่ตลอดเวลาเนี่ยขาให้มีความรู้สึกตัวในลูกแล้เปอร์เซ็นในน้ำแล้วเปอร์เซ็นแต่อย่งางนั้นก็บางครั้งก็ยังขาดยิ่เกินอยู่นะก็ต้องทําไปเรื่อยๆทั้นนั้นในเรื่องนี้จึงอยากจะฝากเอาไว้ว่าให้ทําด้วยความสนุกสนานทําด้วยความรัก เรารักพ่อรักแม่รักแฟนมากขนาดไหนให้รักยิ่งกว่านั้นนะเพราะอะไรเพราะพ่อแม่ของเราแฟนเขาเราเวลาเกิดขัดใจกันเนี่ยมันก็ไม่ได้รักเราแล้วใช่ไหมหรือเกิดทะเลาะบบาแหวงกันก็ไม่ได้รักกันแล้วหรือไม่เจ็บป่วยตายไปเราก็ไม่ได้รักกันแล้แต่ว่าตัวนี้เวลาตายไปแล้วมันไปกับเราได้ถ้าสมมุติว่าเอาละในในชาติเนี้ยเราไม่สามารถทํากิเลสอันสวะให้หมดได้แต่มันยังเหลืออยู่ก็ให้มันเหลืออยู่ดิ้หน่อยอ่า ยังเหลือเยอะหน่อยไปเกิดอีกกี่ชาติกี่ชาติจะ ต, ตามตําราเขาว่ากันเออถ้าเป็นปไะโสดามันแล้วไปเกิดอีกเกจชาตินะถ้าเป็นสกิทาคาร์มี้ะไปเกิดอีกสองสามชาตินะนอนาคตนะี่ยไม่ต้องเกิดอีกนะเออถ้าเกิดว่าเรามันเกิดก็ให้อยู่ในวงมันนี่แหละนับชาติได้แต่จะไปปถนาเกิดเป็นเทวดาเป็นพมนะโอ้พวกนี้อายุเป็นหมื่นชาติแสนชาติเลยไม่รู้จะวนกลับมา น, นี้อีกเมื่อไหร่นะอ่ามันมันยาวเกินไป เพราะส่วนใหญ่พวกอินพวกพมหมดอายุแล้วไปตกนรกเลยพรามันไปอยู่ที่นานนานเกินไปแล้วมันประมาทนะพอประมาทแล้วไม่ได้สร้างสมบุญกุศลเอาไว้พอหมดบุญก็ตกนรกเลยพวกนี้นะแต่ว่าเป็นมนุษย์นีเยงดีเพราะอะไรเพราะเราสุขบ้างทุกบ้างให้เห็นนะนะเราก็ไม่ประมาทพอไม่ประมาทเราก็มีโอกาสได้ศึกษาเรื่องนี้อเพราะฉะนั้น ถ้าเกลือกว่าเราไม่สามารถทําที่สุดทุกข์ให้สิ้นเชิงได้ในชาตินี้ไม่สามารถบรรลุทําเป็นพระอรหันต์ได้เนี่ยขอให้เป็นโสดาสกีนาคานาคาก็ยังดีอย่างน้อยภพชาติเราก็จะสั้นลงมานะถ้ามันมีภบชาติหลังก่อนเกิดหลังตายนะแต่ถ้าไม่มีแล้วก็ไม่ขาดทุนละเราก็สบายใช่ไหมมันก็ว่าเผื่อเอาไว้เท่านั้นเองเผื่อว่ามันมีนะแล้ว <c oughs> นั่นในจุดนี้แหละเราจะต้องศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจ แล้วอ ย, ย่ปฏิบัติอย่างนี้แล้วเนี่ยเห็นสุขเห็นทุกข์เป็นเรื่องเป็นเรื่องเล็กน้อยมากแแต่เห็นว่าการรู้และไม่รู้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญสุขก็ขอให้รู้ทุกข์ก็ขอให้รู้แต่ถ้ามันไม่รู้เนี่ยเป็นเรื่องที่อันตรายสุขก็ไม่รู้ทุกข์ก็ไม่รู้นี่อันตรายเพราะมันจะสั่งสมสุขทุกข์มากขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเรารู้มันเนี่ยเราจะตัดมันได้ในส่วนที่ไม่ต้องการ และเราจะเพิ่มมาได้ในส่วนที่ต้องการถ้าเรารู้เพราะฉะนั้นจึงเหลือตัวเดียวให้เหลือตัวรู้เอาไว้เท่านั้นทําแล้วก็ตามตัวรู้อพอมาเองหลังจากสัมผัสเรื่องนี้แล้วเนี่ยมันก็เลยไปเห็นคนอื่นน่ะคนอื่นเขาทําไงขาดสติมีสติมันจะเห็นหมดเลยเอ้อทาแบบนี้ขาดสตินะ่ะแล้วก็หาเหตุที่จะให้เขามีสติเออทําอย่างนี้มีสติก็าหาเห็นให้เขาได้ทําให้มั่นคงขึ้นดีแล้วนะ ด้านนั้นเองจึงอยากจะให้ศึกษาเรื่องนี้โดยได้อีกโดยแยกขายโดยที่เรามีศรัทธานะมีศรัทธาที่จะทำศรัทธานี่ไปว่าความรักความพอใจนะแล้วก็ให้มีความรักความพอใจในเรื่องนี้ให้มากๆพอใจที่จะทารักที่จะทำรักที่ศึกษาแต่สาหรับคนใหม่เนี่ยที่ยัง <c oughs> ไม่เข้าใจอะไรไม่ได้ก็ทนไปก่อนก็แล้วกัน ใช้คันติแทนพอคันติบ่อยเข้าบ่อยเข้ามกกกัก็จะต้องมีผลบ้างอะทําทุกอย่างมีผลมีผลคือทําให้เกิดเบาเกิดสบายเกิดโล่งเกิดปร่งขึ้นมาในบางขณะนี่ผลเล็กเล็ ก, ลกน้อยน้อยเหล่านี้ค่อยๆสังเกตเอาไว้แล้วทําไปแล้วรู้จะแก้ปัญหารู้จะแก้ความทุกข์ที่เกิดบ่อยๆความทุกข์ก็จะลดลงลดลงเบาลงเบาลงเบาลงเรื่อยๆ เพราะนั้นสำคัญที่สุดคือขยันแก้ไขขยันปรับขยันเปลี่ยนนะคำว่าความเพียรเนี่ยหมายถึงขยันในการแก้ไขไขสิ่งเหล่านี้ความเพียรไม่ได้หมายถึงขยันทำนะแต่ขยันแก้ขันแก้ไขขยันรู้สึกตัวขยันปรับเปลี่ยนให้มันอยู่ในภาวะที่มัชชิมาคือพอดีเราไม่ต้องการสุกเกินไปหรอกแต่ต้องการให้พอดีคือไม่สุกเกินไปไม่ทุกข์เกินไปพอทนได้ต้องขยันปรับแต่ถ้าไม่ขยันปรับมันก็จะไหลไปสู่ กรแสเหมือนนะทุกขังอนิีจน้จังอนาตาระแล้วเราก็หนีเรากลัวนะล้วก็ห น, นะหนีหนีด้วยการไปหายสิ่งอื่นเข้ามาทดแทนยิ่งหนีก็ยิ่งสร้างทุกข์เพิ่มเพราะนั้นเราไม่ต้องหนีไปเชิญรับรู้แก้ไขปรับปรุงกลับมาสู่ที่เดิมแต่ถ้าเราหนีเราทิ้งฐานไปเลยแทนที่จะอยู่ฐานกายไปอยู่ฐานอะไรไปอยู่ฐานอาดีตฐานอนาคตนะ ไปอยู่ฐานนู้นเลยมันไม่ได้ฐานปัจจุบันเพราะฉะนั้นถ้าเราดํารงจิตอยู่ในฐานปัจจุบันได้อย่างเข้าใจนั่นเรียกว่าเราดวงตาธรรมเราเปิดละพอใจนะอยู่กับปัจจุบันอย่างพอใจนะแต่ถ้าอยู่กับปัจจุบันอย่างเก็บกดขมขืนบังคับบีบเค้นบีบคั้นอันนี้ไม่ได้อันตรายนะต้องอยู่ด้วยความเข้าใจ ด้วยความรักด้วยความเห็นในสิ่งที่มันกําลังเกิดเดินได้วดวงตาแล้วแต่แล้วจิตของเรามันจะวิ่งไปอดีตอนาคตบ้างมันก็ไม่ไปไหนแล้วมันก็กลับมาเหมือนเดิมเพราะว่าเรารู้ว่าถ้าจิตมาอยู่ปัจจุบนันจริงๆอย่างถูกต้องนะถ้าจิตของเรานสวิงไปอดีตในอนาคตปั๊บมันจะรู้สึกหนักหน่งทันทีเลยแล้วมันจะสลัดสลัดกลับมาอยู่ปัจจุบนันนี่เรียกว่าเพราะฉะนั้นที่ว่าพระโสดาบันจะไม่ตกนรกหรือก็เพราะอย่างงี้แหละ พิเศษพระโสดาบันหมายถึงว่าสามารถมีความรักความชอบความพอใจอยู่ปัจจุบันได้แล้วถึงจิตมันจะสวิงเข้าไปบ้างคิดสามเรื่องห้าเรื่องมันก็สดัดละไม่เกิดเกิดอีไม่เกินเจชาติไงไมก็คิดอีกไม่เกินเจเรื่องเพราว่าโดยพละมืวัดนะนะพอเกิดเจริญเรื่องรู้ตัวแล้วคิดมากไปแล้วกลับมาอยู่ปัจจุบันได้เนี่ยไม่เกินเจเรื่องพระโสดาบันนี่เขาแยกเป็น3ประเภทประเภทแย่ที่สุดคิดเกินเจเรื่องก็ยังไม่รู้ตัวเลยเนี่ย ใช่ไม่ได้แล้เออถ้าอยู่ในเจเรื่องรู้สึกตัวโอเคประเภทที่สองที่ได้สองสามเรื่องรู้สึกตัวกลับมาปัจจุบันได้เลยอันนี้เขาเรียกโกลังโกละอันแรกนี่เขาว่าสัตตะขัดตุปธรรมะคิดคิดได้ยามากเจเรื่องรู้สึกตัวแล้วโซดาบมาประเภทที่สองคิดได้สองสมเรื่องรู้สึกตัวแล้วกลับมาโสดาบประเภทที่หนึ่งพ่อคิดได้เรื่องหนึ่งยังไม่ทันจบรู้สึกตัวซะก่อนกลับมาแล้วนี่ประเภทหนึ่งเลยนะเขาเลยเอกพีชี เซดาร์บเขยกเป็สามเอกพีชีกุหลังกะระสตัคขตุประมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ถ้าได้สามอย่างนี้ก็ไม่ตกนรกแล้ถ้าคนเร า, าคิดเกินเจิดเรื่องไปแล้วมันใกล้ขอบอะไรใกล้ขอบนรกแล้ว <c ười> ใกล้ป่านนรกแล้วถ้าเกิดเจตเรื่องยังไม่รู้สึกตัวแล้วใกล้แล้วว่างั้นเนี่ยใกล้จะลงแล้วลงไปขามจะจลงไปแล้วเนี่ยพนายันเจตเรื่องกลับมา ไม่ว่าเรื่องร้ายเรื่องดีกัน เ, เรื่องที่เราว่าเป็นเรื่องร้ายก็คิดแต่เรื่องตอนแรกก็คิดเรื่องดีนี่แหละเดี๋ยวมันก็ไปหาร้ายเพราะนั้นไม่ต้องคิดไปเลยทั้งร้ายทั้งดีเพราะคิดดีมันก็ไปหาร้ายคิดร้ายก็มาหาดีอย่างที่ว่าเมื่อกี้ไอ้สุขมันก็เกิดจากทุกข์พวกก็เกิดจากสุขนั่นเองใช่ไหมดีมันเกิดจากร้ายร้ายมันเกิดจากดีนั่นเองเพราะฉะนั้นในพุทธศาสนาทั้งบอกให้ไปอะไรเหนือดีเหนือร้ายเหนือดีเหนือชั่วเหนือสุขเหนือทุกข์ใช่ไหมเหนือเห็นเหนือผล นั่นเขาเรียกโลกุตระไงโลกุตระแปลว่าเหนืออาการเหล่านี้ไม่ใช่เหนือโลกนะอะเหนือความคิดเรื่องดีเหนือความคิดเรื่องไม่ดีก็อย่าไปเอาอาการที่ไม่ไปกับมันนะ่ะถือว่าเหนือแล้วอาการที่เราไปกับมันถือว่าใต้มันแล้วโอ้มันคิดก็อย่าไปเอากับมันเอาในกรณีเราคิดสร้างสรรแหละบางคนนะฉันจะต้องมีครอบครัวมีลูกมีผัวมีเมียต้องทำมาหาจินก็ต้องคิดทำมาหาจิน อันนี้เราคิดได้คิดแล้วก็อันไหนที่มันสมมุติเราคิดจะทําสักเรื่องหนึ่งเรื่องที่เราจําเป็นต้องทำเนี่ยมันมีแค่ทําแล้วก็จบอ่าแต่ที่มันทุกข์ก็คือว่าในเรื่องเดียวคิดไปร้อยๆครั้งถ้าคิดครั้งเดียวก็ทําจบอันนี้ไม่มีปัญหานี่ต้องใช้เขาเรียก อ, อันนี้สติปัญญาทําให้เราไม่ไม่เป็นทุกข์ในความคิดแบบนั้นใช้สติปัญญาส่วนใหญ่เราไม่ใช้ความรู้ไม่ใช่สช่ไหมเราใช้ความคิด การปรุงแต่งเรียกว่าใช้สังขารนะดังนั้นในช่งชวงเช้านี้คงจะพอแล้วเนาะก็เรื่องของทุกข์และเหตุเกิดทุกข์นะไม่ใช่นอกเรื่องใ น, นนี้นะแต่ว่ายอ่อแยกในรายละเอียดหน่อยแล้วก็ไปทำเพราะฉะนั้นขอให้เหลือทั้งหมดขอให้เหลือเรื่องเดียวคือเรื่องอะไรรู้สึกตัวด้วยความรักและความพอใจอย่าไปได้วยความฝืดฝืน คมคืนขัดข้องอะไรไม่เอานะด้วยความรักด้วยความปลอยใจเชิดทูลบูชาในความรู้สึกตัวเนี่ยทํามันอย่างทนุถนอมทํามันอย่างว่าถ้าไม่ทําเดี๋ยววินาทีข้างหน้าจะเกิดว่าจะตายนั่นเนี่ยต้องทําอย่างดีเลยนะถ้าไม่ทําำก็วินาทีข้างหน้านี้ตายแน่นะเนี่ยโอ้โหมันจะต้องท่านบอกเขาเพิ่มที่นี่ท่านบอกเขาทาเหมือนกับนักโทษที่ถูกประหารน่ะ แต่ว่ามีทางเลือกอยู่ทางหนึ่งพระราชาก่อนที่จะสั่งให้คนประหารมีข้อแม้ว่าถ้าแกสามารถระคองขันน้ามันขันนี้ซึงเต็มเปี่ยมพอดีเลยนะเดินรอบพระนครโดยที่มันไม่กระชกและไม่หกเลยเนี่ยจะมีชีวิตรอดแต่ถ้าหกหยดหนึ่งเนี่ยหมายความว่าคอยต้องขาดจากบาทันทีเลยมั้งนะเรารู้สึกไงถ้าเราลงตั ด, ตดสินประหารชีวิตอย่างนั้นเราเป็นยังไง เราจะรักมากเลยนะกัรขันน้ามันขันนี้นะโอ้ประเับประคองแทบแทบไม่หายใจเลยเนี่ยเพราะมันหมายถึงชีวิตเด็นะหยดเดียวหมายถึงคอหลูอจากบบานะนั่นบอกนั่นบอกในเชลยคนนั้นประคองขันน้ามันไม่หกผู้ปฏิบัติก็พึงประคลองสติไม่หกฉันนั้นโอ้โหโหดร้ายมากเลยนะ <laughs> แต่พยายามไปเรื่อยๆเนี่ย พยายามไปเร่อๆแล้วมันทำได้เองนะก็ขออนุโมทนาสาธุความตั้งใจของพวกเราทั้งหลายที่จะมีความรักใหม่คือรักในตัวรู้สึกตัวนี้ประดุ์ว่าเป็นพระพุทธเจ้าของเราแล้วก็ตัวรู้นี้ก็จะเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตเราไปสู่มรรคผลนิพพานด้วยกันทุกคนทุกท่าน